50 languages. 13. 13. กิจกรรมปัญญายุมาทาทอะไรเเธอทางานในสานักงาน เ வ ள ் ஓர் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறாள் เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ அவள் க ம ் อ, อมิวเตอร์ก็ติลเวลเล่เซกิโรมาท่าอยู่ที่ไหนมอเตอ எங்கு இ ர ு க ் க ி ற ாร்ที่โรงหนัง திரை அரங்கத்தில் เธอกำลังดูหนัง อวัลวอร์ตเท ப รย์ป்ดดัมฟาธ์คุนด์ยิริรคิรอล ள ்ปีเตอร์ทำอะไรปีเตอร์เอ็น ச ெ ய น க ிยாกิรเขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลายัยอว ன ்พัลกัล க ட க த ் த ிก்ติลป்ดิก்นิน ன รเขากำลังเรียนภาษาอว ம ொมி க ิก ப ய ிพล க กิร ன ் ปีเตอร์อยู่ไหนปีเตอร์ยังอยู่ริกรารที่ร้านกาแฟสิตรุ่นดิ๊กลิลเขากำลังดื่มกาแฟอวันกาแฟกุฎิถุคนดูยิริกิรนพวกเขาชอบไปไหนอวัน ก, ก, ก๊าดกุยยังปัวกับวิร ไปดูคอนเสิร์ตอีสัอรังก์นิคัดชิกก์พวกเขาชอบฟังดนตรีอวรรกลัล ก, ก์อิสัยเก็ก์วิรุปมปพวกเขาไม่ชอบไปไหนอวรรกลัล ก, ก์ยังก์โปเกตปิดิกาดุไปดิสโก้ดิสโก้วิร์ก์ เมลนอตนวีน่นัน่มันรัตติรักพวกเขาไม่ชอบเต้นรำ아버ครดกนัก่งเรน่มาดปิดคอต